มีท่านผู้มาฟังถามว่ากรรมไม่แก้ได้หรือเปล่า้คะขอเรื่องกรรมนะกรรมไ้แก้ได้หรือเปล่าคะคือถ้าเรามองมองถึงในเรื่องการแก้กับการบอกว่าถ้าเรามองถึงด้านกรรมนี่นะแต่ภาษาที่ใช้แก้เนี่ยกลัวจะไปคิดคิดมันจะไปในเรื่องการไปแก้กรรมแบบที่การโฆษณาหรือว่าอะไรนะ วันนัน้นมาไปที่โรงพยาบาลมีได้ยินคําว่าสแกนกรรมมาได้มาไปไม่ปกติจะไม่มีโดรทัศน์ดูจะมานี่ไปที่โรงพยาบาลก็ได้ยินเห็นว่าดีเลยอ๋อมีการสแกนกรรมกันเนี่ยมีทีวีเอามาก็รอนั่งรอหมออยู่อ๋อมีการคําว่าสแกนกรรมสแกนกรรมคำว่าไอกรณีอย่งกรรมเนี่ยกรรมเนี่ยเป็นชื่อของกุศลเจตนาอกุศลเจตนาเจตนาที่ยืนที่เป็อยู่ในกุศลแกรรมและอกุศลกรรม กรรมเนี่ยถ้าถามบอกว่าเจตนากรรมกรรมนี้เป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้ใช่ถ้าเป็นกุศลเนี่ยไม่ต้องไปแก้เลยหรอกเพียงแต่ทำให้เจริญขึ้นให้บริบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไปใช่เจตนากรรมที่เป็นไปกับกุบกศลให้สังเกตดูนะว่าการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นเหล่านี้เป็นไปกับเจตนาที่ที่จะกระทำทั้งนั้นกรรมเหล่านี้นะถ้าจะมองใช้คาว่าแก่เนี่ยแก้อย่างไงเช่น ถ้าไปทำปานาติบาตมาเราจะเราจะหนียังไงอย่างเงี้ยได้พอจะได้นะีโดยเฉพาะถ้าสูงสุดเลยก็คือว่ามักกรรมเนี่ยเช่นว่าเคยฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดในการพูดเท็จส่อเสียดคําหยาเพื่อเจอมองเงี้นีครบกรรมบทแล้วแต่กรรมเหล่านี้จะนําลงอบายภูมิเลยเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนื้อสี่ภูมิเนี่ยต้องไปแน่นอนนี่นะกรรมเหล่านี้ถ้าให้ผลเนี่ย นี่เรากลัวและกรรมเหล่านี้เราจะจัดการแก้แล้วก็เดินเดินทานกุศลศีลกุศลชนิดที่แบบแบบอย่างคือศึกษาคําสอนแล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนเลยเดินตามศีลสมาธิปัญญาในส่วนจริงสามารถทําอริยมรรคให้เกิดขึ้นบรรลุปเป็นพระโสดาบันโสดาปฏิมรรคนั่นแหละจะไปตัดรอนนะเป็นตัดร อ, นะอนเลยเป็นมรรคกรรมไปตัดรอนบาปอากุศลกรรมมลามกที่จะนำลงสู่ใบภูมิถ้าอย่างนี้จะเรียกว่าแก้ไหมเนี่ย อาจารย์พอถ้าถ้าในกรณีอย่างนี้เขาเรียกว่าป้องกันได้ป้องกันได้ในฐานะที่ว่าเมื่อรู้ว่าเราเคยทำบาปอกุศลกรรมมานีโดยเฉพาะแต่ละคนน่คือคิดอย่างนี้คิดเรื่องกรรมนี่ครั้นี้เอากรรมที่คิดได้ในพบนี้นที่เราเคยทำมาที่ครบกรรมอโบ ท, ทั้งหลายกรรมเหล่านั้นสามารถนาให้ผลในปฏิสนธิการได้ยกตัวอย่างเช่นข้อแรกเนี่ย สัตว์มีชีวิตรู้ว่าสัตว์มีชีวิตมีจิตที่จะฆ่าทําความเพียรเพื่อฆ่าสัตว์นั้นตายลงเพราะความเพียรใช่ไหมครบกรรมบทใช่ไหมเมื่อกรรมเหล่านี้ครบกรรมาบทเบ็ดเสร็จถ้ากรรมนี้มาให้ผลในมรณาสถานการการใกล้ตายกรรมนั้นจะนําลงสู่ใบยภูมิแน่นอนอนี่นนะสมมุติถ้าเขาได้โอกาสดีเนะี่ยทีนี้แล้วกรรมที่เรายังเราคิดไม่ได้ในพบที่ผ่านมาในสังสารวัตรอีกยาวนานฉะนั้นมีเยอะตรงนี้อันนี้คิดให้เห็นว่า กระแสะชีวิตเนี่ยถ้าเรายังเวียนว่ า, ายตายเกิดเนี่ยที่ใช้คำว่ามรรคกรรมเบื้องต้นเมื่อกี้เนี่ยบ่งบอกให้รู้ว่าที่สุดจริงๆเนี่ยเราแก้ได้ในฐานะที่เราจเจริญกุศลให้ต่อเนื่องก็สมาทานในใจว่าจะไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นด้วยการศึกษาคำสอนฟังทำประพฤติปฏิบัติตามคำสอนเนี่ยนี่แหละกุศลเหล่านี้เป็นกุศลที่ยกให้สังเกตดูนะที่เขาบอกว่าอานิสงส์แห่งการบูชาพระรันไตร จะให้สามารถพ้นจากพยัน์อันตรายต่างๆได้ใช่ไหมมันจะมีอยู่ข้องที่พ้นจากพยัน์อันตรายฉะนั้นการบูชาพระรัตนตรยัยการเข้าถึงพระรัตนตรยัยการนอบน้อมพระรัตนตรัยเป็นต้นเหล่านี้กุศลเหล่านี้นี่แหละจะเป็นทิฏฐธรรมเวเทียนิกกรรมที่จะรักษากระแสชีวิตให้พ้นจากอุปสรรคและพยัน์อันตรายต่างๆให้สังเกตดูพระเถระทั้งหลายเวลาจะแต่งคมพีทั้งทั้งที่สุภาพาทานก็แย่มากเนี่ย แต่ท่านนอบน้อมพระรัตนตรยัยบูชาพระรัตนตรยัยคุณของพระรัตนตรัยที่ท่านนอบน้อมที่ท่านเข้าถึงนั่นแหละจะรักษากระแสชีวิตของท่านเป็นอุปถัมภคกรรมในการอุสรกรรมที่เป็นปัจจุบันนี่เนี่ยจะรักษาที่เป็นทิฏฐะธรรมะเวทนียกรรมเนี่ยนะจะรักษากระแสชีวิตของท่านให้พ้นจากอุปสรรคและพยันอันตรายต่างๆเป็นต้นเหล่านี้อันนี้ดูแลได้แต่การดูแลได้ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยต้องไม่ประมาทนะ ต้องไม่ประมาทให้เจริญกุศลนอบน้อมพรตันตนาัยอย่างจริงจังคอและกุศลเหล่านี้จะรักษากระแสชีวิตให้พ้นจากอุปสรรคหรือภัยพยานอันตรายต่างๆนั้นได้อย่างนี้ได้นะแต่ถ้าไปพบหน้าถ้าอัตยาสายเราหลุดลอยไปตรงนี้ต่างหากทึงต้องพูดว่าความไม่ปลอดภัยก็จะมีอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ความจริงอย่างนี้แล้วการฝังให้แน่นนะ การที่จะสามารถนำคุณของบารัตนตรัยให้แนบสนิทในชีวิตจริงของเราได้จริงๆให้มีความลึกซึ้งในคุณของบารัตนาไตรยอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงที่สุดจริงๆตั้งเป้าหมายไว้ว่าแม้ในมรณาสันนิการเราจะขอมีคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านี้เป็นอารมณะปัจจัยเกื้อหนุนต้องการจะทําปฏิสนธิรวัง ในพบถัดๆไปนั้นน่ยให้มีคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์คุณของพระธรรมและคุณของพระรยาสงฆ์เป็นต้นซึ่งเป็นคุณความดีทั้งหลายให้ฝังแน่นในกระแสของผวังเห็นไหมถ้าทําได้นิจิตสํานึกขนาดนั้นนีถึงแม้พบถัดไปหลงผิดก็แป๊บเดียวได้เหตุปัจจัยก็หลุดลอยง่ายมากเข้าถึงคําสอนได้ชัดเจนขึ้นเพราะอัธยาสัยจริงๆได้ฝังลากลึกไว้ในศาสนาของพระชินเจ้าเสร็จแล้วนี่เป็วิธีแก้ที่ดีที่สุด ในขณะที่วิถีชีวิตของเรายัางไม่สามารถสลากิเลตได้อย่างเด็ดขาดด้วยมรรคผล